พระเทะเจ้าผู้ซึ่งหลวงพ่อในป่าเรียกว่าพระยาตากยิ้มน้อยๆก่อนตอบคำถามของสมภารวัด มมเรื่องนี้ก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนนอกจากเรากับโยมมารดาแม้แต่โยมบิดาของท่านก็ไม่รู้หรือขอรับท่านพระครูเรียนถามถูกแล้วประวัติของเราคล้ายคลึงกับของสมเด็จพระพุทธาจาย์ตรงที่โยมแม่ของเราตั้งคันโดยที่โยมพ่อไม่ทราบ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 พวกคณะลิเกมาขอยืมไปเล่นแล้วก็เลยหายสาบสูญไปเรื่องท้าปา จ, จิตกับนางออรพิมพซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งในห้าร้อชาติของพระโพธิสัตว์ก็มีเรื่องราวเหมือนลิเกนักรับเพราะความหลงในสงสารทีเดียวที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มาเหมือนกับลิเก ท่านพระครูเล่าความหลังแต่บัดนี้ลกเกของเรากับท่านได้ปิดฉากลงแล้วเพราะตัดความหลงในสงสารเสียได้พระเทระเจ้าสรุปแล้วจึงเล่าความเป็นมาของท่านว่าเราเป็นลูกกษัตริย์พระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนปลายท่านลองทายสิว่าโยมมานดาของเราคือใคร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 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่หรือไม่ขอรับถูกแล้วโยมบนดาของเราเป็นสนมลับๆของโยมบิดาซึ่งเป็นกษัต ร, ริย์ลำดับที่ส1อ็ดแห่งกรุงศรีอยุธยาท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยอยุธยามีกษัต ร, ริย์ปกครองกี่พระองค์ส3สพระองค์ขอรับแต่มี 34รัฐชการเพราะสมเด็จพระราเมศวรทรงครองราชสองครั้งครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช 1,912 ถึง 1,913 ครั้งที่สองพุทธศักราช 1,931 ถึง 1,938 กรุงรีอยุธยา เป็นเมืองหลวงอยู่สี่ร้อยสิบเจ็ดปีมีกษัตริย์ปกครองสาสบสามพระองค์ที่ครองราชได้เพียงเจ็ดวันคือพระเจ้าทองลันและครองราชนานถึงสี่สิบปีคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่านพระครูตอบเกินคำถามแล้วท่านทราบหรือไม่ว่า สมัยอายุทยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระเถระเจ้าถามอีกท่านพระครูเกรงว่าพระบูเหียวจะง่วงที่ฟังอย่างเดียวจึงเปิดโอกาสให้สิทธิพูดด้วยการถามว่าบูเหียวเธอทราบไหมว่าสมัยอายุทยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระบูเหียวตอบทันทีว่าไม่ทราบครับ เพราะผมไม่ได้เกิดในสมัยอายุทยาเหมือนลุงพ่อและภรยาตาท่านเรียกพระเทระเจ้าเหมือนที่หลุงพ่อในป่าเรียกแล้วเธออยากทราบไหมอาจารย์ถามอีกถ้าผมตอบว่าอยากลงพ่อก็จะตำหนิติเตียนว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้วยังมีความอยากอีกหรือผมจึงขอตอบว่าไม่อยากทราบแต่ถ้าลุงพ่อจะบอกไว เป็นการประดับความรู้ให้ผมผมก็ยินดีให้ประดับครับพระบุหิยาตอบตามบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านเอาละตกลงว่าฉ่านจะประดับความรู้ให้เธอด้วยการตอบว่าสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมดสาสิบสามพระองค์มีห้าราชวงศ์ได้แก่ ราชวงศ์อูทองสามพระองค์ราชวงศ์สุพรรณภูมิสิบสามพระองค์ราชวงศ์สุขโขไทยเจ็ดพระองค์ราชวงศ์ปราสาททองสี่พระองค์และราชวงศ์บ้านพลูหลวงหพระองค์กระผมตอบอย่างนี้ถูกต้องไหมครับท่านถามพระเทระเจ้า ถูกต้องท่านความจำดีมากสมกับที่เคยเกิดในสมัยอายุทยาถึงสองครั้งท่านคงทราบที่มิว่าท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรแห่งราชวงศ์สุโขทัยครั้งหนึ่งและก่อนกรุงศรีอายุทยาจะเสียให้แก่พมา่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ท่านก็ต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองเต็มความสามารถแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะกลศึกของพมา่าตอนท่านเป็นแม่ทัพใหญ่เรายังหนุ่มและไม่ได้มีตำแหน่งสําคัญอะไรนักทั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าเอกทัศก็ไม่ทรงทราบว่าเราเป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เกิดจากสนมลับชาวจีนชื่อหายหง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 ท่านก็ทราบดีไม่ใช่หรือว่า417เจปีแห่งสมัยอายุทยาก็คือลิเกรโรงใหญ่เราดีๆนี่เองมีการฆ่าแกงเพื่อแย่งทิงราชสมบัติแก่งแย่งอิจฉาริษยากันท่านจำได้หรือไม่ว่ากริยักรุงศรีอายุทยา33าพระองค์นั้นถูกปลงพระชนไปกี่พระองค์พระเทระเจ้าถามอีก พระองค์ขอรับคราวนี้ท่านพระครูตอบไม่เกินคำถามพระเทระเจ้าจึงถามอีกว่ามีพระองค์ใดบ้างมีพระเจ้าทองหลันพระรัชดาทิราชพระแก้วฟ้าแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระศรีสวภาคสมเด็จพระเชษฐาทิราชพระอาทิตย์ยวง แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยพระอาทิตย์วงศ์ถูกถอดออกจากราชสมบัติก่อนแล้วถูกปลงพระชนภายหลังและราชวงศ์ปราสาททองอีกสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาจริงอย่างที่ท่านพูดมานั่นแหละขอรับว่าสี่ร้อยสิบเจ็ดปี แห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกโรงใหญ่เราดีๆนี่เองแต่ท่านขอรับวัตจักรชีวิตช่างวกวนเหลือจะกล่าวท่านเชื่อไหมขอรับว่าโยมมารดาของกระผมสมัยที่กระผมเป็นแม่ทัพตอนปลายกรุงศรีอยุธยาได้มาเกิดที่อยุธยาอีกกระผมไปพบโดยบังเอิญ เมื่อหลายปีมาแล้วเหมือนเรื่องลิเกเลยขอรับท่านหมายถึงแม่เชิญสีเรื่องของเราก็เหมือนลิเกนะโยมบิดาสวรรคตโดยที่ไม่ทรงทราบว่าพระองค์มีบุตรกับหญิงจีนผู้เป็นสนมลับๆของพระองค์โยมมารดาได้สร้างเรื่องขึ้นว่าเราเป็นลูกจีนบิดาชื่อนายไห่หองมารดาชื่อนางนกเอี้ยง และเรื่องที่สร้างขึ้นนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่โยมมานดาทมเช่นนี้ก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของเราเราไม่คิดว่าเป็นความผิดแต่ประการใดและเราก็ไม่ตำหนินักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวอันเป็นความเท็จเพราะเขาบันทึกตามข้อมูลเพียงแต่ข้อมูลนั้นถูกบิดเบือนเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ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 กระผมอยากทราบว่าตรงกับประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงใดกระผมก็อยากฟังขครับพระบุฮีเยวพูดขึ้นเลยถูกท่านพระครูซึ่งถือโอกาสแก้เพดว่าก้นไหนเธอบอกว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้วจะไม่มีความอยากไงละ่ะแล้วทำไมถึงบอกว่าอยาก ผมก็อยากตามลุงพ่อละครับในเมื่อลุงพ่ อ, อยังอยากทราบแล้วทำไมผมจะอยากฟังบางไม่ได้สิทธิตอบชนิดที่อาจารย์ไม่รู้จะเถียงว่าการะไรพระเทระเ จ, จ้าจึงพูดขึ้นว่าตกลงเราจะเล่าให้ฟังท่านไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์ตอนเรากู้ชาติตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่มีบางเรื่อง ที่ไม่ได้บันทึกไว้อย่างเรื่องที่เราตีเมืองจันทบุรีประวัติศาสตร์บันทึกแต่เพียงว่าเราสั่งให้ทหารทุบหมอข้ามอแกงทิ้งความจริงเราทำมากกว่านั้นคือหลังจากตีเมืองจันทบุรีได้แล้วเราก็มาพิจารณาว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาสาหัสและยืดยาวจึงให้สร้างพระยอดธง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 เพราะว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธองค์ที่ทรงชนะพยาวัสวัตตีมานอาระวะกะยักษ์ช้างนาลาคิรีองคุลิมานนางจินจมานวิกาสัจจกะนิครนนันโภปนันทะนาคราชและเท้าพกาพรมเพราะอนุภาพแห่งการสวดพาหุงมหากาสมเด็จพระนเรสวน จึงทรงชนะสงครามทุกครั้งไม่เคยแพ้เลยเราเองก็ได้รับอ น, นิสง์แห่งการสวดคือเรากู้ชาติได้สำเร็จพาหุงมหากาแต่งขึ้นในสมัยอายุทยาใช่ไหมขอรับกระผมอยากทราบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้รจนาลุงพ่อในป่าพูดขึ้นว่า ปี2529เธอจะได้พบกับผู้รตจนาอดใจรออีกปีเดียวท่านยังมีชีวิตอยู่หรือครับหลวงพ่อท่านพระครูรู้สึกสงสัยหลวงพ่อในป่าจึงอธิบายว่าถ้าขวามหมยของยังมีชีวิตตามความโคตรใจของปุถุชนเราก็ขอบอกว่าท่านไม่มีชีวิตคือท่าน ไม่ได้มีชีวิตเหมือนเธอหรือเหมือนพระโบเหี่ยวเอาเป็นว่าท่านเหมือนเราเหมือนพระญาตากที่แม้ไม่มีชีวิตแต่ก็สามารถสื่อสารกับเธอได้ท่านจะมาพบเธอในฝันไม่ได้มาแบบเรากับพระญาตากหรือแบบสมเด็จพระพุท ธ, ธาจา้าเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตัง คือรู้ได้เฉพาะตนคนที่เขารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เพราะขาดทั้งสติและปัญญาไม่เคยอบรมกายไม่ได้อบรมจิตเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระในอนาคตการเมื่อโลกเจริญทางวัตถุผู้คนก็จะไปยึดถือเส้นลวดเล็กๆบางๆ เป็นสารณะแทนพระรัตนไตรโลกจะถึงยุคที่เคารพหัดศึกษาธรรมะส่วนพระไปศึกษาคอมพิวเตอร์ถ้าใครอยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ต้องไปถามพระอยากรู้ธรรมะให้ถามเคารพหัดเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็จะมีนักบวชที่เรียกตัวเองว่าพระหากความจริง เป็นได้แค่คนโกนหัวห่มผ้าเหลืองเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติของพระแม้แต่ข้อเดียวแต่เขาอาหังกาถือว่าเป็นผู้เก่งกาจในวิชาการทางโลกแต่ในทางธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องรู้จะต้องศึกษาเขากลับไม่รู้เพราะไม่มีเวลาจะมานั่งเจริญสติ เอาเวลาไปนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็สร้างเครือข่ายอวดรู้เที่ยววิจารณพระเทวะที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธอเองก็จะถูกวิจารณด้วยเรื่องที่เธอพบกับผู้รัตนาพาหุงมหากาแล้วนำบทสวดไปเผยแผ่ให้ประชาชนสวดเพื่อแก้ปัญหา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 ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นบาปหนาเสยิ่งกว่าพระเทวทัตและหมดโอกาสที่จะบรรลุธรรมหากเขาไม่กลับตัวกลับใจเสียใหม่หลวงพ่อในป่าอธิบายค่อนข้างละเอียดเพราะท่านเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและคนที่นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางดีมีม่ครับลุงพ่ะ ผู้ถามคือพระโบยเฮียวมีเช่นพระเถระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แต่ถ้าจะวัดกันในด้านปริมาณคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มีน้อยกว่าคนที่ได้โทษโดยเฉพาะ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 จะต้องใช้ด้วยปัญญามิใช่ด้วยตันหาอผมอยากฟังพระยาตากเล่าเรื่องการกูาติครับพระบูฮหียลเอ่ยขึ้นเบาๆหลังจากที่พระเทวะทั้งสามองค์อนุญาตให้ความเงียบเข้ามาแทนที่การสนทนากระผมก็อยากฟังขอรับท่านพระครูสนับสนุน อยากฟังโก็เล่าให้เขาฟังเขาเป็นสหธรรมิกของเธอหลุงพ่อในป่าพูดกับพระเทเจ้าโดยใช้ถ้อยคําแบบเดียวกับที่พูดกับท่านพระครูและพระโบูเหียวครับหลุงพ่อพระเทเจ้าพูดกับอาจารย์โดยใช้ถ้อยคําแบบเดียวกับที่สหธรรมิกทั้งสองของท่านใช้แล้วจึงเล่าวีวรกรรม การกู้ชาติของท่านเมื่อครั้งกรุงแตกในปีพุทธศักราช2310ว่าหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่พมา่าเมื่อปี2310บ้านเมืองระสำระสายมากพมา่เพาเผาผลาญถล่มทลายกรุงศรีอยุธยาสีย่อยยับวัดวาอารามถูกทําลายยับเยิน พระศรีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมีความสูงถึงแปดวาหุ้มด้วยทองคำหนักสอง0มื่นบาทก็ถูกพมา่าใช้ไฟลนเผาลอกเอาทองคำขนกลับไปเมืองตนผู้คนแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่ามีก๊กที่สำคัญอยู่ถึงหกก๊กด้วยกันก๊กที่ร้ายกาจที่สุดก็คือก๊กเจ้าพระฝาง ซึ่งมีหัวหน้าเป็นพระภิกษุที่วไร้ายกาศเพราะทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระาศาสนาผู้ครองกาสวพัฒโกนศีรษะเหมือนพระภิกษุแต่เสพสุราฆ่าคนและทำลามกอนาจารด้วยประการต่างๆเจ้าพระฝงังในเครื่องแต่งกายของบรรพชิตคุมกองทัพสง์ออกจี้ปล้นทรัพย์สินของราษฎร ทำให้บ้านเมืองระสำรส า, าอยู่และต้องสับสนอัลลามันหนักขึ้นเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของพระาศาสนาอย่างร้ายแรงที่สุดพระเทระเจ้าหยุดเล่าเพื่อกำหนดปรงธรรมสังเวทท่านพระครูและพระโบเฮิเอลกำหนดปลงธรรมสังเวทเช่นเดียวกันจากนั้นอดีตวียรบุรุษแห่งประเทศสยามจึงเล่าต่อ เมื่อเราปราบก๊กสำคัญสีก่ก๊กได้แล้วจึงยกกองทัพไปตีก๊กเจ้าพระฝงังซึ่งเวลานั้นไปตั้งมั่นอยู่ที่พิษณุโลกเนื่องจากไปตีได้เมืองพิษณุโลกไว้กองทัพของเราตีเมืองพิษณุโลกได้แต่เจ้าพระฝงังหนีไปเป็นอันว่าก๊กทั้งห้าพ่ายแพ้แ ก, ก่ก๊กพระยาตากเมื่อได้ชัยชนะแล้ว เราก็คิดจะฟื้นฟูปฏิสังขรณ์กรุงศรีอยุธยาแต่ก็มองไม่เห็นทางเลยว่าจะทำให้กรุงศรีอยุธยารุ่งโรจน์เหมือนแต่ก่อนได้เราเริ่มวิตกกังวลคืนหนึ่งเราจึงแก้ปัญหาด้วยการสวดพาหุงมหากาแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้ดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงศรีอายุทยาทุกพระองค์และขอท่านเหล่านั้นจงช่วยหาทางออกให้แก่เราด้วยจากนั้นเราก็หลับไปพระเทะเจ้าหันไปพูดกับหลวงพ่อในป่าว่าน่าแปลกนะครับหลวงพ่อเป็นเรื่องที่บางคนอาจคิดว่างมงายไร้สาระแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเห็นในฝัน ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากเป็นผลจากการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลท่านเห็นอะไรหรือขอรับท่านพระครูถามพระเทระตอบว่าเราเห็นสมเด็จพระนเรศวรกับพระอาจารย์ของท่านที่เรารู้เพราะพระเถระรูปนั้นท่านพูดว่าอัตมาคืออาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวร ที่จะมาช่วยท่านแก้ปัญหากรุงศรีอยุธยาเสียหายเกินกว่าจะปฏิสังขรณ์ได้ทั้งพม่าก็รู้ลู่ทางที่จะเข้ามาโจมตีขอท่านจงย้ายราชธานีไปอยู่ที่ธนบุรีและสถาปนาตัวท่านขึ้นเป็นกษัตริย์เถิดอัตมาขอถวายพระพรจากนั้นสมเด็จพระนเรสวน ทรงมีพระดำรัสแก่เราว่าขอต้อนรับกษัตริย์แห่งกรุงธนบรุรีขอพระองค์จงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาวสยามแล้วภาพนั้นก็หายวับไปเราตื่นขึ้นมากลางดึกจิตสัมผัสกับความสงบเย็นผิดกับคนที่ฝันร้ายซึ่งจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวาดกลัวและเหงื่อไหลส่งกาย เรารู้สึกเหมือนกับว่ามิได้ฝันไปเพราะภาพนั้นยังฝังแน่นอยู่ในมโนนึกมาจนบัดนี้พระเทระเจ้าเล่าด้วยใบหน้าเจยิ้มเมื่อรำลึกนึกถึงเหตุการณ์แต่ก่อนเก่าจากนั้นจึงเล่าต่อพระราชดำรัสในสมเด็จพระนเรศว ร, รทำให้เราตั้งปณิธานในบัดนั้นว่า จากธรรมรุบำรงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาวรสืบไปและนี่เองคือที่มาของปณิธานของเราที่ท่านกล่าวให้พระบูเหียวฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านพระครูจึงถือโอกาสถามพระบูเหียวว่าบัวเหียวเธอยังจาพระราชปณิธานที่ฉันกล่าวให้เธอฟังเมื่อสักครู่นี้ได้ใช่ไหม พระบูเหียวตอบซื่อๆว่าจำไม่ได้แล้วครับลวงพอ่อทำไมถึงจำไม่ได้ก็เมื่อสักครู่เธอยังสาธยายให้ฉันฟังไม่มีผิดเพี้ยนเลยสักคำเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงลืมเซนแล้วการลืมไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับลวงพอ่อการไม่ลืมถึงจะเป็นเรื่องแปลกพระโบเหียวอธิบาย แปลกอย่างไรแปลกไปจากคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ะสิครับก็พระองค์สอนว่าสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาก็คือการจำได้ไม่รู้ถ้าการจาเที่ยงเราก็จะไม่ลืมแต่เพราะเราลืมที่ลืมก็เพราะสัญญาไม่เที่ยงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพราะฉะนั้น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 ก็เพราะการอธิบายแบบย่นเยอะยืดยาิของเธอนี่แหละไม่ต้องอธิบายต่อก็อได้ฉันอยากฟังพระเทระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติมากกว่าท่านพระครูพูดตัดบท